วิคาววิโคจิตเจจิตานุปัสสิวหารติมจิตานุปัสนาสติปัฏฐานัง่าทเวทนา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 พัดลมพัดลมเป็นวัตถุ ข, ข้างนอกเป็นโพธะพัดลมมาสัมผัสกับผิวกายของเราพอมาสัมผัสปับ๊บเกิดความเย็นนะเกิดความรู้สึกสุขเนี่ยพัดลมมาสัมผัสปับ๊บเพราะว่าเราร้อนๆเนี่ยพัดลมมาสัมผัสปับ๊บ เกิดความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นสุขเขเวทนาเป็นสุขขเวทน า, นขขนาซึ่งพัดลมดับปับ๊บเราไปดับพัดลมปับ๊บพัดลมดับเกิดความร้อนมาที่กายเป็นทุกขขเวทนาเวทนาคือความรู้สึกที่ใจแต่ถ้าเราเจริญสติ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 แต่ถ้าเราเจาะอยู่ที่เวทนาอย่างเดียวหรือเจาะอยู่กับคำดำริอันเดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธุเจาะอยู่กับอารมณ์อย่างเดียวอย่างนี้มันก็เป็นอารมณ์ของสมถตทําให้ใจสงบแต่หากเราแยกมาพูิเฉยๆนะเราเราดูย้อนมาดูที่จิตของเราที่แท้จริงมันมีอยู่ด้วยกันนะั่นะ ทั้งสักทั้งมถทั้งวิปัสนามันมีรวมอยู่ด้วยกันนั่นแหละจะต้องละเอียดนะถึงจะทำต้องละเอียดต้องเร็วต้องสติตื่นรู้รู้ถึงจะเร็วเราทำทาให้เต็มที่ละมันจะมันมันจะขาดไปเลยขาดอารมณ์ที่มันพากระดกกระดิกเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกแตกต่างขึ้นมาอีกอันหนึ่ง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 พามันกำหนดจดจออยู่ตรงนั้นน่ะถ้าเราเอาคำสมมุติมาใส่จะว่าอะไรก็ใช่ทั้งนั้นเลยที่วันนี้เราพูดถึงเวทนาเราพูดถึงจิตยัมพิจารณามาให้ละเอียดเราไม่อยากสับสนไม่อยากยัก ย, ย้ายผันเปรตามมันเราก็อยู่กับอารมณ์เดียวพุโทธโทธพุธโทธโทธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมันเป็นการสร้างสติ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 นอนอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวโยนตีมโยนมือโยนอะไรไปเหมือนคนตายไม่ใช่นอนก็จ่อมาที่โพลุนจ่อมานานเท่าไรมันไม่หลับดอกโอ้ได้งานได้งานมากอย่างนี้ถ้าใครเคยทาไดนะ้คนนั้นจะเสียดายเวลานอนภาวนา น, านี่แหละทั้งทั้งที่เป็นเวลาที่เราตั้งใจจะพักผ่อนแต่เราไม่ปล่อย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 เรือตันหามันสวงลอยแล้วะจะส่งไปอนาคตเหมือนกันส่งนึกคิดไปวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ยี้บางทีเราไม่ทันนะไม่ทันหมายความว่าปัจจุบันมันไม่ได้ตั้งใจนึกคิดปรุง ม, มันขาดสติตันหาแทรกได้สงสารอยู่แค่นี้แหละเราจะรู้ที่เกิดของมันเราจะรู้ที่ถับมของมันมันจะเป็นอะไรกันจังช่างมัน